บรรพชิตก็เหมือนกันอุตสาบรณิบัติกายพระมะจริยานุกขหายะเพื่อจะให้สบายในที่จะรักษาศีลพรหมจันทร์เหมือนกันกันกบบุคคลรักษาแผลนี้ก็ต้องด้วยกระแสรพระพุทธดีกาสมเด็จพระทศพลยานตรัสประธานไว้ว่าพึงให้บรรพชิตรักษากายของอัตมาดุจหนึ่งว่าบุคคลทั้งหลายอันรักษาแผลแต่ว่า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 ดูราณะภิกษุทั้งหลายกายของเราท่านทั้งหลายนี้ไม่เป็นแก่นสารประกอบไปด้วยวาวรทั้งเก้ามีปากวาวรเหมือนปากแผลอันใหญ่ประกอบด้วยอสุจิไหลออกมาทุกวาวรสิน้นปูติคันทิโกมีแต่ล้วนกลิ่นอันหน้าพึงเกลียดพึงชังนี่หากว่าหนังหุ้มกบาบังไว้หาไม่